สังคมกันเออถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่บอกไม่สอนก็มีพระอาจารย์ท่านสอนอยู่หลวงพ่อก็จะให้เหมือนเดิมเหมือนสิบปียี่สิบปีเมื่อก่อนนั่นก็เป็นไป ไ, ปได้ ความไม่สะดวกหลายอย่างมันมีเครามแผความเจ็บความตายมาถึงทุกวันทุกวเวลาวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจะใช้ชีวิตอย่างไร จใจมันแย่ฟรีๆไปกันเลยใจมันเจ็บมันตายไปฟรีๆรอวันนั่นมาถึงเราเท่านั้นหรืออะไรอะที่มันจะวิเศษที่จะมันดีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจแก่เราเราก็ต้องนี่แหละมาปฏิบัติทานี่แหละจงมีสติทุกเมื่อ งมจุฬาจะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าสอนพระโอเคลาดล้วก็ได้ยินเรานำมาปฏิบัติหรือไม่อันจริงที่พระพุทธองค์พระศาสดาเราทรงสองสอนนะมีสักขีพยานไม่หลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัย จริงไหนทําได้เป็ น, นจรจยธรรมจริงไหนทํำมาได้ไม่เป็ น, นจรจยธรรมเป็นสมมติปัญญาปล่อยมันไปนั่นเลือกได้ชีวิตของเราเนี่ย <c oughs> วันหนึ่งนาทีหนึ่งเรา อ, อยูไ่ไงเราจะปล่อยให้เหตุปัจจัยต่างๆมาครอบงายับยีเราแล้วก็ไม่มีประโยชน์ ชีวิตเราพวกเรามีโอกาสมากเป็นนักบวชอยู่วัดวาอารามก็มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงงานโดยตรงของพวกเราจะไปทำมันดด่นแม้ทำมันดด่นเกินเช่าขึ้นมาที่สามที่สี่พากันลูกมาทาวัดสวดมนต์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 มั่นคงไม่ลูกมีนามมีอายตนะภายนอกภายในมีผัสสะการเห็นมีความหลงมีความรู้เลือกได้ไม่ใช่เรางโง่เราจะต้องลูกมันมีอะไรเกิดขึ้นมาตัวลูกเป็นเลดาตรวจสอบแล้วก็เลด้า ตาไขา่ในประเทศท้องกันประเทศเขตที่ต้องป้าเนี่ยมันมีตาไขา่มันด่างแห่ทุกตารางนิ้วระหว่างประเทศเขาก็ตรวจสอบอะไรที่มันเข้ากายเข้ามาสติของเราเนี่ยมันปานนั่นแหละนั้นปลอดภัยถึงกับตรวจสอบ จะไปทุกไปโกรธไปโลภไปหลงไปผิดไปถูกได้ไงมันจะเห็นเพราะเรามีเราผูกหาดมาแล้วถ้าไม่หัดมันก็พัดไปแล้วก็ล่ายคลุมดีปูปูแฝดแฝดเนืนอจบไม่มีรากลอยไปตามน้ำพัดไปทางไหนก็ไหลไปไม่ดีก็พัดไป ทุกที่ทุกทางชีวิตของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้มันมั่นคงตัวสติพให้มั่นคงจนไม่เกิดไม่เก่ไม่เหยียบไม่ตายเราต้องฝึกตัวเองวิธีฝึกแล้วก็สมบูรณ์แบบมีรูปมีกายมีการเคลื่อนไหว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 จึงมีวิชากรรมฐาน mm. ซึ่งมาสอบคล้องกับการใช้ชีวิตของพวกเราไปจนทำใหม่มันมนุษย์สมบัติแก้วสารพัดดึกชีวิตของเรานะ่ไม่มีท่วมไม่มีแรงไม่มีอะไรที่มาทำให้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 เพ่งการกระทำการกระทำเราก็ทำเบงได้มีงานทำตลอดเวลาแม้แม่เราแม่เราไม่เจตาทำมันก็ให้เราทำเราต้องเอามาเป็นประโยชน์ต้องหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจไม่ได้เราต้องยืนเดินนั่งนอน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 ให้กบมาดูตัวเองมามีสติมีจมตวิญญะมาฝึกหัดมาดูมาเห็นให้มันมีศิลปะมีกีฬาเรื่องนี้เรื่องการใช้ชีวิตของเร า, าคนเดินสอนเราก็มีเราสอนตัวเราก็มีที่สอนตัวเราอยู่ทุกเวลานาทีคือเราเนี่ยแหละตัวสตินี่แหละ ไม่มีใครที่จะให้เราได้เรื่องนี้ตกอยจากเราเองจึงมั่นใจอย่างมากเลยการแล้าความชั่วกันทำความดีการทำไม่ทุกแม้ทุกเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทุกหลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหลงโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องสิทธิความเป็นธรรมหาได้ในกายในใจหาได้ในตัวเรา ทำไมไปเสร้าหมองทําไมไปร้องไห้ทําไมไปวิตกกงังวลทําไมจึงต้องไปเบียดเวียนตนทําไมจึงต้องเบีดเวียนคนอื่นมันมีประโยชน์บ้างทําตัวเราอย่างเดียวมีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนามากมายทั้งพบนี่และพบนั้น จะเป็นพมนี่ผมน้่ก็คื อ, ค, อคือการกระทําของเราไม่ต้องกลัวเลยผู้ที่ไม่รู้ชัดแจ้งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยมีวิธีทําบนอนดทิศอย่างนั่นอย่างนี้เปิดเครื่องขยายซึ่งเงินเช่นทองข้าววัวข้าควายมันก็หลงไป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 ตอนลงพ่อใจยกขาดสั่งอาจารย์สมหายสั่งอาจารย์ตุ้มสั่งอาจารย์นุสสั่งอาจารย์อเนกอย่ามาซักบางสุุลนะอคนจะตายมาซักบางสุุนนิจาวสังฆาลาเห็นจบลงพ่อนั่งอยู่นอนอยู่ไม่ต้องเหอ แม่แต่เขาเขาอย่าไปแต่งหุ่นอะไรบางทีเขาแต่งหุ่นใส่เป็นหญิงเขาผ้าถุงไปให้เสื้อไปให้ใส่ทําทตาเอาเงินบาทไปทําตาทาจมูกทำทุกส่วนเอาวัยวะต่างๆนั่นอยาไปทำ เรามันสูงกว่าด้านแล้วของต่ำๆต้อาว่าสูงกว่าด้านแล้วพระธรรมคนก็ยังไม่รู้เลยนี่น่าจะรู้กันทุกคนแล้วบุญเืิอเลยบาปคืออเลยกุศลมันเืออเลยศาสนามันเกิดเลยพุทธศาสนาคืออย่างไรพระพุทธเจ้าคืออย่างไรพระธรรมคืออย่างไรพระสงฆ์คือไย้ แล้วก็ว่ากันทุกวันตอบได้ทุกวันรูปคำอยู่ทุกวันแต่มันไม่มีในใจเราทำไมจึงไม่มีเพราะเราไม่ทำให้มันมีไม่ได้น้อมมาไม่ได้นามาปฏิบัติเกิดพุทธะมันเกิดได้งไงไม่มีพุทธะมันมีอะไรเหตุปจัจจัยต้องรู้ชีวิตของเราไม่รู้พุทธะไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้หรอก ไม่รู้วุนรูปแบบไม่ได้ไม่รู้ศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้เพราะชีวิตของคนเรามันกว้วงใหญ่ไปศาลไม่เหมือนจัตเดาราชฉันจะตกเป็นทาสเป็นทีน่่าปานนั่นหรือเหมือนหลวงพ่อไปอินเดียไปเห็นเขาใช่สัตว์ใช่ช้าใช่ม้าใช่อูใช่วัวใช่ควายใช่ลา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 เอาใจเอาความเห็นทิศทีของตนไปทำกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนเดือดร้อนคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้รรมาแล้วมันเดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนไม่ว่าแต่สัตว์สาลาสิ่งไม่แต่แผ่นดินป่าไม้แม่น้ำอากาศเสียหมดเลย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 มันมาได้แต่พุทธะเพื่อหรืหอไม่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือนที่จะต้องเลือกสรรอะไรต่างๆภายนอกภายในสิทธิความชอบธรรมให้มันเกิดแก่เราเกิดแก่คนอื่นอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นตอนนั่งหัต้องไปสอนเลยเขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียด เ, เบียนคนอื่นไปแต่พุทธะเพื่อไป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 รอบรู้ในกองสังขารอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวรอบโลกไปศึกษาสารวัตต่างๆนั้นก็ใช่แต่ปัญญาที่เป็นพุทธะจริงๆมันต้องรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเรารอบรู้ตรงนี้แปดหมืนสี่พันอย่างที่เกิดขึ้นจากการจัตใจเราเน่แล้วก็เป็นผลกระทบ ตัวเราไม่พอเป็นมันก็ทบายนอกไปอีกถ้าเราไม่รู้นะมันน่าจะทำกันได้แล้วคนในโลกแนะถ้ามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเห็นข่าราวีกันลบลาข้าฟันกันแจ้งชิงกันเบียดเบียนกันจนไม่มีอะไรที่จะปกติได้เราจึง ช่วกันเถอะพวกเราเนาะช่วยกันเถอะอย่าปฏิเสธอย่าทอดทิ้งกันอาจารย์ก็สอนเราก็สอนสิ่งแวดล้อมก็สอนเราธรรมชาติสอนเราตลอดเวลาอาจารย์ก็สอนเราโยเราก็สอนเราอย่าปฏิเสธจัดสรร เปลนแปลงสิ่งลายเป็นดีแตพ่พฤ้นแต่พื้นไปอย่าไปปล่อยพระละเลยอะไรพอช่วยกันได้มันดูอะไรเห็นอะไรให้มันให้มันเป็นปัญญาอย่าให้มันเป็นความโง่สติมันเป็นกำเนิดเกิดปัญญา คุมคามเนิดเกิดปัญหาได้มีใจปัญญามีสติถ้ามีความหลงกับมีแต่ความงู้มันก็ไว้เหลือมิใสยที่เราจะทำได้ไม่เหมือนจับมดแดงใส่กระด้ ง, ดแดงแต่มอดแดงไต่กว่ากระด้งอย่าไปคิดว่ามันยากขนาดนั้นบางคนก็บ่น เมื่ออยู่วัดดีไปอยู่บ้านไม่ดีอุ้ยมันไม่ใช่หรอกยิ่งดีใหญ่ริ่งเห็นอะไรยิ่งดีใหญ่เห็นอะไรที่มันป็นหนายิ่งดีใหญ่ <c oughs> มันยิ่งสูงมันน้ำมันมันตลอยเหนือน้ำตลอดเวลาเอาน้ำใส่เท่าไหร่น้ำลึก 1> 1นึ่ง น, น, น, น, น, น, นิน้ำมันก็เหนือน้ำหนึ่งนิ้วน้ำมาน้ำลึกสิเมตรน้ำมันก็เหนือน้ำสิบเมตรันไม่จมอันสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เสียหา ย, ยไม่เสื่อมไม่มีความเสื่อมเลยแต่เราเห็นแจ้งในเรื่องชีวิตจริงๆนะ่ยไม่เสื่อมเป็นนามธรร เร่มักผลที่ผ่านไม่เกิดไม่เจอไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายกับใครเนี่เป็นสมัตของเราแท้ๆให้ใส่ใจสักหน่อยผลขวยสักหน่อยเน่เราทามาเรื่องก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้ ก็พูดให้ฟังอย่ามาเชื่ออย่ามาไม่เชื่อก็พูดที่ก็พูดเรื่องของตัวเราของตัวทุกคนถ้าเชื่อเชื่อตัวเราถ้าไม่เชื่อก็ฏิเสิตัวเราเราหลงก็ไปเฉิความรู้ ก็ไม่เป็นไรเราหลงไม่ไปเฉียดความรู้ความรู้มาแค่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเราเราทุกข์เรารู้สึกตัวเราเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เป็นเรื่องของเราเมื่อเวลาเราทุกข์เราไม่มีความรู้สึกตัวเราไม่เปลี่ยนความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์อะความทุกข์ย่ำ America. ยีก็ไม่เป็นไรเป็นตัว ข, ของท่านเองตัวเจ้าจึงเป็นที่เปยนผู้บอก ส่วนการกระทาเป็นหน้าที่ของทัดทุกชีวิตทุกท่านทุกคนว่เาเราเลือกได้เรื่องนีง้หัดตัวเองนะถ้ามีความรู้ก็จะเห็นความหลงตรงกันข้ามเลือกได้สัมผัสได้ไม่มีใครเป็นเลือดเอาความหลงถ้ามีความรู้ ถ้าความรู้มีมันเกิดความทุกข์ไม่มีใครแปลความทุกข์เพราะเปลี่ยงความทุกข์เป็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติธรรมยอมอยู่เป็นสุขเสถี ส, สมเรื่องนี้ไว้ก็ยอมอยู่เป็นสุขสุขโผล่เจ้าจะอยู่ผู้เสสถสมซึ่งความรู้เป็นความสุขในโลก ผู้สะสมควบหลงก็เป็ะนคะวามทุกข์อะไรเนาะอันนี้ก็สมควรเจริญใจแบบการภาะพร้อมการ